ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟั ง, งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสมอเสน อ, ส ม, อสมิทธที่สูตรสืบต่อกันมาโดยลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่พระตกขาาจารย์ท่านอธิบายข้อความบางประเด็นซึ่งก็ถือว่าในพระสูตรนั้นไม่ได้แสดงไว้ชัดเจน พระตถาจารย์ท่านก็นำมาอา ธ, าธิบายขยายความแต่พอเราอ่านไปเนี่ยมันก็เห็นประเด็นคือว่าพระพุทธโกสาจารย์ซึ่งเป็นผู้รจนาอัตตกถาเนี่ยเป็นคนทางเมืองขยาแต่ว่ากรุงรชัชครึ่งเนี่ยมันก็ห่างไกลจากเมืองขยาพอสมควร สมบัตบ้านเมืองสมัยโบราณเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอกาสที่ใครจะไปพบเห็นสถานที่ต่างๆกันหมดทั้งชมพูทวีปนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปยากมากก็เรียกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยทด่ทับไปท่านอธิบายประเด็นของคำว่าตโปธารามหรือตโปธานาชีโดยอธิบายว่าพบของนาคเนี่ย ตั้งอยู่ที่แผ่นดินใต้ภูเขาเวิุพารบันพศภูเขาเวิุพารบันพศนั้นก็คือสถานที่ที่ ท, ทำปฐมสังขยาหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธันิพพานไปได้สามเดือนนะฮะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าเป็นภูมิศาสตร์ตามความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ ไม่ใช่ความเชื่อตามลทัทธิพระพุทธศาสนาก็หลายเดือนมาแล้วที่เคยล่าฟังว่าความคิดตรงนี้จะคร่อมไปคร่อมมาเพราะว่าพระตถาจารย์ที่ท่านมาด้วยเรียงอัตถกาถาส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นพรามนะฮนะเป็นพรามมาก่อนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านไม่ได้เป็นพระยา บ, บุคคล ท่านมีไดยานอย่างรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยบอกอธิบายไปตามความเชื่อความเข้าใจของท่านแน่นอนในแง่นอนนงของความเชื่อเนี่ ย, ยทำชั่วทำให้ตกนรกทำดีประเกิดในสวรรค์แล้วคนก็ระชั่วประพฤติดีเนี่ยมันก็เป็นผลดีส่วนนรกจะอยู่ที่ไหนสวรรค์จะอยู่ที่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันก็ก่อให้เกิดความอุ่นใจอย่างที่พระรูปเจ้าทรงแสดงไว้ในกาลามสูตรคือถ้าคนเราจับหลักที่ความดีไว้ได้ในที่นั้นทรงยกตัวอย่างพรหมิหารสีถึงหมายความมาท่าทีของคนเราถ้าหากก็มีต่อคนอื่นสัตว์อื่นทั่วไปด้วยเมตตามีความรู้สึกกรุณาต่อคนที่ประสบทุกภัยโรค มีมุทิตาต่อคนที่ประสบราบยศสุขสัเสิญแล้วก็มีอุเบกขาต่อคนที่เป็นไปตามกฎของกรรมคือไม่เกิดทั้งความยินดีและความยินร้ายจิตใจไม่ลำเอียงไปทางอคติอันนี้เป็นแน่นอนเป็นคุณภาพของจิตทีนี้ตีตามว่าเมื่อเราทำอย่างนั้น ปรากฏว่าหลังจากตายไปเนี่ยผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็บังเกิดในสวรรค์แต่ถ้าเรามีความรุนแรงมีความมาคาดพยาบาทมีความเบียดเบียนมีความริษยามีความดําเอียงพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดมันก็กลายเป็นทุจริต เอาแหละโดยสมมติฐานเดิมตีต่างว่าหลังจากเราตายไปแล้วผลบุญผลบา ป, ป, ป, ป, ปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันทีนี้ถ้านารกสวรรค์มีเราก็ตกนรกในชาติต่อๆไปซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าชาติเดียวก็คงจะหลายๆชาติแต่ว่า เวล า, ราพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะไม่แสดงถึงที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์แต่ทรงใช้คำว่าปารโลกคือโลกอื่นหรือว่าสวรรค์หรือว่าพรหมโลกแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ทุงไหนแกตั้งว่าที่ไหนเพราะว่าทรงแสดงเรื่องเหล่านี้กับท่านที่มีทิประจักสุ เป็นพร ะ, ะบุคคลหรือเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาเองวันก็ไม่ต้องพูดถึงที่ตั้งเพรรู้กันอยู่แล้วแต่ในที่นี้พระตาถาจารย์ท่านอธิบายสีใหญ่โตเลยคือพื้นที่ตะโพธาณชีเนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่หรอกแต่นี้่คือไปอินเดียก็จะไปพบเห็นกันมาแล้วทุกวันก็ยังอยู่แต่ท่านบอกว่า มันมีปริมณทนประมาณสัก500ร้อโยชน์เช่นเดียวกับเทวโลกซึ่งมีพื้นสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีประกอบด้วยอุทยานาน่ารื่นรมในที่นั้นมีห้วงน้ำใหญ่สำหรับเป็นที่เล่นของพวกนากํา แ, แม่น้ำชื่อตะโปธานี้เป็นน้ำร้อนเดือดพร่านไหลมาจากห้วงน้ำใหญ่นั้นหมายความว่ามีแม่น้ำอยู่ใต้พิภพ ก็มีบริเวณกว้างขวางประมาณห0 0รยโยชน์แล้วก็มีความสะดวสบายเพราะเป็นวิมานของนาคนาคก็เป็นอมนุษย์กึ่งเทพเพราะนั้นส่วนใหญ่เราจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตตกถาที่ท่านบอกไว้แล้วก็มักจะอยู่ใต้บาดาล น, นะฮะความเชื่อเราก็หนักไปในทางใต้บาดาล แม้แต่ในภูริทัตชาดกเองก็พูดไปในทํานองนั้นคือทํานองว่าขึ้นมาจากใต้พื้นดินตานานบ้านเราในหลายแห่งในหนองหานทั้งสองแห่งหนองหานทั้งฝั่งลาวหนองหานทั้งฝั่งไทยแต่เราถึงแถวหนองคายต่างๆที่มีตานานเกี่ยวกับปัญญานาคนี่จะพูดในลักษณะอยู่ใต้พื้นพิภพเขาแหละก็เป็นเรื่องของความเชื่อ ที่ตามประเพณีท้องถินนะ่นในที่ต่างๆที่ท่านศึกษาค้นคว้า ม, มาแล้วก็ท่านอธิบายเลยไปจนถึงว่าเทวโลกเนี่ยหมายถึงโอกาสโลคือทอี่อาศัยของเปรตจำนวนมากแวดล้อมกรุงราชสุคือเปรตเนี่ยมันมันอยู่ในโลกเราก็ได้นะฮะอยู่ในโลกอื่นก็ได้เวทโลกเนี่ย มันคล้ายๆกับเทวโลกคือเทวดาบางพวกก็อยู่ในพื้นพิภพนี่แหละเป็นภูมิเทวดาลุ ก, กเทวดาอากาศเทวดาอย่างเทวดาตนนี้ก็เป็นเทวดาที่อยู่บนภาคพื้นก็เรียกว่าเป็นภูมิเทวดาแต่ว่นรกเนี่ยคือไม่ได้พูดว่าอยู่บนโลกมนุษย์เราแต่ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในโลกมนุษย์ก็อยู่ที่ใต้พิภพ ก็เป็นที่อยู่ของคือท่านพูดเอาพระสะไอเขาว่าสุมเมนเนี่ยเป็นศูนย์กลางก็ขึ้นไปสูงสุดยอดเอเวเรสต์เนี่ยเขาเรียกไกรลาสกิรีเป็นที่ประทับของพระอิศวนบางครั้งก็เรียกว่าจองไกรลาด แล้วก็เรียกตัวนั้นแล้วว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวประดึงเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสวรรค์ชั้นดาวปรดึงแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เป็นชั้นจตุมาราชที่เชิงภูเขานี่เป็นชั้นจตุมาราชแล้วก็เป็นสาโนดัตเป็นนักศิษย์วิทยาธรคนทันทานทานบอะไรๆ อ, อีกมากมายแก่กองผู้รวมรวมว่าสัตว์โลกขิมมาพานเป็นตำนานที่ปรมปรา คือคนเราถ้าเล่าเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เห็นแล้วก็จินตนาการเนี่ยขาเล่าสนุกนะฮะสมัยโบราณเนี่ยเราเึกดูว่ามัทนภาธาเนี่ยเป็นตำนานดอกกุหลาบเป็นการมองดอกกุหลาบตอนเช้าแล้วก็ต้องแสงประชิดแล้วก็ไอ้น้ำค้างเนี่ยมันค่อยๆแห้งไปแห้งไป กวีเกิดกินจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราโอใหญ่โตยาวเหยียดสนุกสนานบคนสมัยโบราณเนี่ยเขามีจินตนาการจินตนาการบันจืดเพืิอเพลิงเลยนะฮะแต่นี้การจินตนาการเนี่ยมันจะมีจุดบกพร่องเมื่อเราไปอ่านคือบางจุดมันจะขาดความสมิสสมผลเพราะท่านไปอธิบายว่า แม่น้ำตะโพธานี้ก็ยอมไหลมาระหว่างนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมพีทั้งสองฉะนั้นมันจึงเดือดพร่านแล้วก็ไหลไหลลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้โลหะกุมพีเนี่คงนึกออกนะที่พูดเรื่องยันยสูนพูดถึงคาถาเปรตนะที่จริงเป็นสัตว์นรกทุสันโสหลายวันมาแล้ว ก็บอกว่าเป็นโลหกุมพีนรกแล้วก็เคยพูดเรื่องปลากะปิละที่ตัวเป็นทองแล้วก็พออ้าปากในกลิ่นเหม็นกลบไปทั่วกรุงรัชครึกก็พูดถึงในลักษณะนี้เหมือนกันคือกรุงสาวัตถีนะฮะแม่นามาจิรวดีนี่ก็เป็นความรู้รุ่นอัตกคถา แล้วก็ท่านก็นเล่านะฮะโดยอ้างโดยอ้างพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ากานอธิบายนี่มันหรูเลิะเปื้อพริ้งเ้ยกันท่านบอกว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสได้ ว, ว่าดูก่อนพิสูจน์ท่างหลายในที่ใดแม่น้ำตะโปธานี้ไหลยอยู่ที่นั้นย่อมเป็นหนองน้ำเป็นทะเลสาบมีน้ำไหลสะอาด เป็นน้ำที่น่ายินดีเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำสีขาวเป็นน้ำตั้งอยู่ดีแล้วเป็นที่รื่นรมมีปลาและเต่ามากมีดอกประทุมประมาณเท่าจักบานสะพรั่งอยู่อีกอย่างหนึ่งตโบทาของมารนรกทั้งสองนี้ย่อมไหลโดยไม่ขาดสายเดดนนี้แม่น้ำตโบธานี้จึงเดือดพร่านไหลอยู่ดังนี้นี่ก็เป็นการอธิบายลักษณะาทางภูมิศาสตร์ ทีนี้ปัญหาว่าตรงเนี้ย อ, อยู่ที่ไหนท่านก็ไม่บอกไว้ว่าพระเจ้ารับสั่งไว้ในที่ใดในท่านก็ไม่ได้บอกไว้ทีนี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าคงเป็นยุคต้นคือหลังจากพระพุทธเจ้าศัตรูไม่นานตอนในสมัยนั้นพระมีผ้าอยู่สองผืนท่านั้นเองพระสมิทธา พระสมิธินั้นไม่ถึงกระอาบนะฮะไปรูปตัวต่อการอาบน้ำของพระก่อนที่นางวิสาขาจะขอประธานพุ้ทานอนุญาตให้พระมีพระอาบน้ำฝนได้เนี่ยที่กลายเป็นธรรมเนียมมีพระอาบน้ำฝนคือถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระในปัจจุบันสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันที่จริงปัจจุบันมันก็มีเยอะแล้วนะผ้าอะไรต่างๆนี่เยอะ ก็พระไ่ได้อาบน้าเนี่ยก็ต้องเครื่องจีวบอลแล้วก็วางไว้แล้วผ้าประคดวางทับไว้ก็มองซ้ายมองขวาให้ดีถ้าเห็นว่าไม่มีคนก็ค่อยๆลงไปในน้าแล้วก็ก็ยกผ้าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพระนุ่งน่ยยกสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็ตัวเองก็ไปอยู่ในน้าก็โยนผ้ามาไว้ข้างบน หน้าขาวฟางโอาวิธีอาบน้ำนิทานอธิบายวิจิตปิสดานมากรู้สึกประดากประเดิดขเ้นแต่ก็เห็นการใช้ชีวิตอยางได้เคยตั้งข้อสังเกตนะว่าพระเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยไม่มีต้นทุนอะไรอยู่เลยนอกจากความดีแต่ประสบความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็ว แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านศาสนบุคคลด้านศาสนาสถานด้านศาสนธรรมด้านศาสนพิธีต่งางๆศาสนสถานก็เกิดขึ้นประมาณสักเจ็ดเดือนหลังจากแสดงปฐมเทศนาหรือพระเวรุวันก็เกิดขึ้นระยะใกล้แต่ศาสนบุคคลก็เกิดในเวลาที่รวดเร็วที่ช้าไปหน่อยก็คือภิกษุณี สิุณีเข้าใจว่าคงจะเจ็ดแปดปีหลังจากนั้นแล้วก็การแพร่หลายของพระพุทธศาสนาก็ไปเร็วไปถึงอุเชนีในแอวันตีชนบทเนี่ยขึ้นไปทางเหนือนะก็ในปีแรกๆเหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ว่า ภาษาสดาของเราประชนพรษาแค่สามสิบหกต้นห น, นุน่มมากนะแต่ประสบการณ์สมเด็จสูงมากๆแต่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะท่านนาบีมูฮัมมัดก็พระรษากา็สี่สิบกว่าสี่รู้สึกจะสี่สิบเอ็ดนะฮะพระเยซูก็สามสิบซึงถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิด วคนที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงสูงในอนดีตนั้นอายุไม่มากเรียกว่าไฟแรงนะฮะก็ใยุคที่ไฟแรงแล้วเข้าใจว่าภาษาที่บุตรพระโมทกันกำลน่าเองก็คงไม่แก่อะไรเท่าไหร่ทีนี้ประเด็นของการแต่งเนื้อแต่งตัวของท่านเนี่ยคือหมายความว่าตอนนั้นพระสมิธีก็ ก็นุ่งผ้าสบุ่พืนเดียวพออยยังไม่กล้าหม่มจีวรเนื่องจากตัวยังเปียกอยู่ก็รอรอให้ตัวแห้งทีนีเ้เทวดาก็ไปมองหินในลักษณะนั้นก็เกิดความเลื่อมใสไม่อาจข่มใจไว้ได้เพราะว่าจิตมันเป็ น, น้อมไปทางอะไรละ่ะรูปสวยนะ คือมองไปในทางเรื่องเพศอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังคือตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือมองเพศตรงกันข้ามในทางกระตุ้นกรรมราคะโดยเฉพาะติดฝ่ายหนึ่งหล่อสวยเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะนั้นก็แสดงว่าพระสมิธิไม่ธรรมดานะฮะเทวดาก็ เกิดหลงหลเกิดพอใจเกิดสนใจก็ตัดสินใจที่จะเล่าลมนะฮะจะเชิญชวนชักชวนไปในทางการมมคุณแล้วก็แสดงตนออกมาด้วยเครื่องประดับอะไรต่างๆที่สวยงามอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นเนี่ยเพื่อกระตุ้นความสนใจของพระเทรัก อันนี้ก็ทำให้นึกถึงสมัยสมัยนานแล้วนะก็คงจะคงสักร้อยปีแต่แต่เนี้ยสมัยรายการที่ห้าต้นต้นรายการที่ห้านี่มันมีพระอาจารย์ปานที่จริงพันษาไม่มากหรอกบวชแค่สามพันษาอยู่วาราชบุรณะเนี่ยมีสีประขามาบอกให้ท่านไปบุรณะพระบรมาธาตุที่นครศรีธรรมราช โดยบอกว่าให้เดินทางไปแล้วจะรับประกันความเป็นอยู่ตลอดเส้นทางวจะช่วยเหลือในการบูรณพระธาตุปรากฏว่าเวลาท่านไปท่านนึกว่าจะดื่มน้าก็ปรากฏว่ามีน้ารออยู่ข้างหน้าต้องการจะพักก็มีที่พักรออยู่ข้างหน้าต้องการอาหารก็มีคนเตรียมอาหารรออยู่ข้างหน้า แต่ก็ไม่เห็นตัวก็เห็นเฉพาะมือที่ยื่นมาถาวายอาหารท่านก็บอกว่าอยากจะขอดูตัวหน่อยก็มีเสียงบอกมาว่าถ้าท่านดูตัวก็ไปไม่ถึงนครหมายความว่าคนที่ดูแลบนเส้นทางนี้เป็นเทพธิดา จึงก็เทียวกับมนุษย์แล้ว ก, ก็สวยงามกว่านะทีนม้มนุษย์ไปเห็นข้าวมันก็ยุ่งเพราะนั้นท่านก็ไม่แสดงตัวให้เห็นแล้วก็ปรากฏว่าท่านไปทำงานประสบควาสมสาเร็จสูงมากๆามาเคยคุยกับพระผู้เฒ่าอายุ80กว่าคุยเมื่อ50ปีมาแล้วนะฮะก็แสดงว่ า, าท่าน ท่านอยู่ในเหตุการณ์เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะว่นทนาท่านำจนถึงปัจจุบันรวมกับอายุของท่านกับเวลาที่พบ ก, กับท่านเนี่ยกับหมายความมาร้อยสามสิบปีท่านก็เป็นเด็กอายุประมาณสิบห้ากก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล่ท่านก็นล่าอะไรให้ฟังเยอะก็เป็นเรื่องที่น่าชึ่นน่าสะใจ ตีนเทวานุภาพเนี่ยมันพูดยากหมายความเราเองก็ต้องมีปุเพกะตะบุญญาตาคือบุญที่กระทำไว้ในการก่อนแล้วเคยอุปถัมภ์คจุนกันมากับเทพเจ้านั้นๆมันก็เหมือนกับญาติพี่น้องนะฮะมันดูแลใจใสกันตัวอย่างพระในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะมากที่เทวดามาช่วยดูแลมาช่วยเหลือคือกูในด้านต่งตาง แต่เรา่ายก็มีเบื้องหลังเป็นญาติกันบ้างเป็นพ่อแม่บ้างนะเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรอะไรเนี่ยมาช่วยทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่พูดถึงกรารนะพูดถึงกรารที่คือหมายความว่า เทวดาไปบอกว่ากามที่เป็นชิพเนี่ยมันยังไม่เห็นแต่ว่ากามที่เป็นมนุษย์มันก็ปรากฏแล้วมันก็น่าจ ะ, สะแสวงหาความสุขด้วยกามที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ควรจะให้การเวลานี้ผ่านพ้นท่านไปแต่ที่จริง ก, การพูดถึงการเวลาไม่ผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้การเวลาไปทาอะไร อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระเดกรตกถ า, าว่าอเชวกิจจะมาตะปังโกนจัญญาบรังสุเวนหิโนสังการันเตะเเนะมาเสเนนมจุนะความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสนในวันนี้เถอะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพระเราทั้งหลายไม่สามารถจะผัดเพี้ยนต่อรองกับพญามัตจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลย นั้นก็แสดงว่าไม่เวลาผ่านไปแต่ว่าใช้เวลายังมีสติสัมยาความเพียรอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลนธรรมเดี๋ยวคิดทำพูดในกระแสของกุศลเทวาดาใช้คำประโยคเดียวกันแต่คนละเรื่องหมายความว่าไม่ควรจะปล่อยให้การเวลาผ่านพ้นไปในวัยหนุ่มนี่ควรจะเพลิดเพลินสนุกสนานด้วย จำนวนบังแห่งเขาเรียกว่าดนตรีมีองค์ห้าหมายความเพลิดเพลินในรูปโดเสียงด้วยกลิ่นโดยรส้วยสัมผัสที่น่าคร้ายน่าประทนาน่าพอใจในข้อต่อไปท่านอธิบายถึงคือพระสมิทธิเนี่ยท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมันมันหาอะไรไม่แน่ไม่นอนคือ่ยวหลักเอา เครื่องหมายอะไรไม่ได้ว่าเราจะอยู่ถึงนั้นถึงนั้นถึงนั้นจะตายเมื่อนั้นอะไรแต่ไรนี่มันเราอ้อะไรไม่ได้เลยก็ท่านพูดถึงทำห้าห้าอย่างเดก็คือชีวิตเนี่ยชีวิตเราแต่ละคนไม่เที่ยงแท้เกิ ด, ด, ดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะดับเมื่อไรเนี่ยเราก็ไม่รู้อีก่าหนึ่งคือโรคเนี่ยเราจะเกิดโรคอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่การเวลาต่างๆที่ผ่านมาและผ่านไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็ที่เป็นที่ทอดทิ้งร่างกายหรือที่ตายเนี่ยท่านเรียกว่าเทหนิกเกปนะแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยคือคติคือสถานที่เกิดตกลงว่าหนึ่งชีวิตสองพยาธิคือโรค 3. คือการ สี่คือทอดทิ้งที่ทิ้งสรีระแล้วก็ห้าคือหลังจะตายไปแล้วนี่ไปเกิดที่ไห น, นเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยสักอย่างเดียวก็ตอบได้ว่ามันไม่เที่ยงอะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาหมดเลยหมายความว่าชีวิตนั้นตายแน่แต่ตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายโดยวิธีใด ตาแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยไม่มีคำตอบยันที่เคยเล่าถึงพิดานายช่างหูเจริญมานานุสติอยู่สามปีพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณว่าเธอจะตายแล้วในวันนั้นเนี่ยก็เสด็จไปเพื่อจะโปรดแต่เธอไปพ่อใช้ไปทำงานเหลือก็มาเฝ้าได้ช้า ปุจจ ա สมาเสวยพระกยาหารเสร็จยังไม่อนุโมทนาชาวบ้านก็เต็มรอคอยการอนุโมทนาจนที่ดานในช่างหูกมาถึงปุเจ้าก็ทรงมองไปที่เธอเธอก็รู้เป็นสัญญาณให้เข้าไปใกล้ปุจ้ารับสั่งถามว่าเธอมาจากไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าจะไปไหนล่ะไม่ทราบพระเจ้าค่ะ ถามว่าเธอไม่ทราบหรือบอกว่าทราบไปเจ้าค่ะแต่มื่อเธอทราบหรือบอกไม่ทราบไปเจ้าค่ะมันก็เป็นปริศนาธรรมหมายความคนฟังตรงนั้นไม่เข้าใจเลยทักประโยคเดียวผู้เจ้าก็เลยกรรับสั่งให้อธิบายก็ถามว่ามาจากไหนทำไมจึงตอบว่าไม่ทราบแกบอกว่าก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแกไม่ทราบปา่แกเกิดเป็นอะไรมาก่อน แล้วถามว่าจะไปไหนทาไมจึงไม่ทราบบอกว่าไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนถามว่าเธอไม่ทราบหรือทำไมจึงตอบว่าทราบบอกว่าทราบว่าตายแน่แต่ถามว่าเธอทราบหรือบอกว่าไม่ทราบคือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่เองไหมมันก็อยู่ในกฎตรงนี้ทีนี้มีประเด็นหนึ่งคือเขาเรียกว่ากำเนิดสี่คติห้าวิญญาณติิ็ดสัตตวาเก้า เป็นการพูดถึงกรรมเนิดเป็นการพูดถึงภพภูมิจิตสัตว์ไปอุบัติเหล่านี้เป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นเนือทายาศสายของพระพุทธเจา้าเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงเองไม่มีใครถามเพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้หรอกทีนี้ตัวคติห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า เป็นการพูดถึงอบายไว้ถึงสามประเภทด้วยกันาทางที่อบายมีสี่แต่นั่นเองแต่พูดไว้ถึงสามประเภทเรียกว่านิรยัคติก็คือนรกเปตะคติก็คือเปรตแล้วก็ติระฉานกติก็คือสติระฉานมนุสสกติก็คือการเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต่อไปก็เป็นเทวตาคติ รวบหมดเลยทีนี้ยหมายความว่าเทวดาหกชั้นพรมโลกสิบหกชั้นรูปพรมสิบหกชั้นแล้วก็อารูปพรมสี่ชั้นเนี่ยรวบไว้ด้วยคำว่าเทวตาคติกรนีทําให้ได้หลักอย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดจาในเรื่องเหล่าดีต้องต้องดูให้ดีว่าตรงนี้กรอบมันขนาดไหนมันกว้างขนาดไหนตรงนี้จะกว้างมาก ในกติห้านี้เราจะเห็นว่าในส่วนของเทวโลกนี่กว้างมากเพราะหมายถึงทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกแล้วก็ทั้งอรูปประภุมรวมไว้ด้วยคบ ว, ว่าเทวตาคติทอนนั้นเองบนคติที่จะไปเกิดเนี่ยมันก็เกิดในพวกคติห้านี่แหละแล้วก็วิน ญ, ญาณที่เจดที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดประเภทแล้วก็ที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย9้าประเภท เพียงแต่ว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ก็หมายความว่าในเรื่องทั้งห้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้หมายความว่าชีวิตโรคเวลาสถานที่ทิ้งสรีระแม้ในปัจจุบันเรามักตายโรงพยาบาลนะนะแต่ก็มีไปน้อยที่ตายที่อื่น เกิออกจากโรงพยาบาลแล้วมาตายที่บ้านอะไรต่างๆหรือเกิอดอุบัติเหตุตายเป็นหลักตรงนี้ส่วนมากแล้วจะเราจะมาประรบที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเนี่ยเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนได้คิดวพาชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เราอยู่ท่ามกลางอาวิชชาที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยไม่รู้เรื่องชีวิตของตัวเอง ไม่รู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บันทอนตัดรอนชีวิตตัวเองแล้วไม่รู้ถึงสถานที่ที่เราจะตายและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดเพราะในแง่ของความเป็นจริงตายปั๊บก็เกิดปุ๊บแต่นี่คนที่รู้แน่เนี่ยมันไม่ถึงก็ไม่รู้หมดหรอกเพียงแต่ว่าในที่นี้เป็นการพูดของผู้ทุชนกับผู้ทุชน คือระยะบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยโสดาบันกับสกิตาคาเนี่ยท่านกําหนดสถานที่คือท่านเลือกไปเกิดที่ไหนก็ได้แต่ท่านจะไม่เกิดในพรหมโลกหรอกพระนาคามีนั้นจะบังเกิดในพรหมโลกระดับสุทธาวาสท่านที่ได้รูปฌานก็จะบังเกิดในอรูปภพนคนที่ ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือคนที่จะเกิดในอบายสีกับมนุษย์และก็สวรรค์สวรรค์ทั้งทั้งหกชั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับกรรมที่เกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก่อนที่จะดับเาเรียกว่ากรร ม, มารมณกรร ม, มนิมิตอารมณคตินิมิตอารมณ์นีเราก็ไม่รู้ ว่าอะไรจะปรากฏแก่จิตก่อนจะดับ เ, เรียกอาสันนกรรมทีนี้คนที่แน่นอนคือพยากรณ์คติได้ก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือพวกอนันตรกรรมพวกนี้ก็เรียกว่าตกนรกแน่นอนแล้วก็พวกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ได้รูปประชานรูปประชานพวกนี้ก็บังเกิดในพรหมโลกแน่นอนทีนี้ท่านอธิบายให้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ย คืออยู่ในคันแล้วก็ในระหว่างที่อยู่ในคันเนี่ยอาจจะตายก็ได้หรือคลอดออกมาตายก็ได้คลอดออกมาอยู่ไม่ได้กี่วันก็ตายก็ได้หรืออาจจะอยู่นานนะฮะเป็นร้อยร้อยกว่าปีแต่ใ น, นที่สุดก็จะตายโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเพราะว่าโรคมันเกิดได้เยอะแล้วก็การคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกาหนดหมายว่า การ น, นีเท่านั้นสัตว์จะพึงตายหรือการอื่นสัตว์ไม่ตายอะไรแต่ไรคือว่าตายอยู่ทุกขณะเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าสัตว์ตายอยู่ทุกขณะลมหายใจเขาออกแต่ว่าตายที่ไหนใครตายเราเองก็ตายเป็นคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะและสถานที่ที่ทอดทิ้งร่างกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ไม่รู้ยิ่งคติยิ่งไปใหญ่นะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะของกรรม จะกรรมเป็นตัวจำแนกเป็นตัวแบ่งแยกให้เราไปเกิดที่นั้นที่นี้ที่โ น, น้นก็ตามกระแสของกรรมทีนี้ท่านสมิธัยนี่ท่านได้พูดถึงส ม, มณธรรมที่คนซึ่งมันผ่านเวลาไปเนี่ยคืเรายิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยการปฏิบัติส ม, มณธรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์นี่ปฏิบัติยากมากายิ่งขึ้น แม้แต่พระเราที่บวชนานๆเน่ยพราะแก่แล้วมันต้องต่อสู้กับไอ้ความไม่แข็งแรงความทรพคลของร่างกายเนี่ยแล้วก็เพื่อจะรักษาให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญตัติตามธรรมะเพงก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆตามปกติแล้วเราจึงไม่นิยมให้คนแก่บวชเพราะคนแก่เนี่ยบวชแล้วจะลำบาก เขาเรียกว่าหัตถปาดานัสวาคือมือเท้าตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะไปควบคุมอะไรได้ทางการการบวชในวิถีของพุทธจึงเน้นที่ตอนเรามีความพร้อมเรามีความแข็งแรงแล้วก็สติปัญญาความจําอะไรต่อไรนี่มันก็ต้องดีไม่ใช่ว่าแก่แล้วคือท่องบทสดบทนิดเดียวก็จำไม่ได้อย่างนี้ไม่ไหวอ่ะ พระภารกิจในการเป็นพระเนี่ยแต่เราปฏิบัติตามภาระหน้าที่จริงๆเนี่ยมันเรื่องเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าคนที่ทำได้ถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละจุดเนี่ยมันก็มีน้อยเป็นธรรมดาก็เรียกว่ามันเหมือนกับปีนขึ้นที่สูงเนี่ยต้องใช้องค์ประกอบเยอะถึงจะปีนป่ายขึ้นไปได้ผลการพัฒนาการทางจิตยกระดับจิต ให้ไม่มีความประนีตประนีตขึ้นไปจนถึงเราเห็นพระพุทธคุณอยู่ภายในใจเราเนี่ยสัมผัสอารมณ์มีปัญญามีความชัดเจนในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็มีความอย่างน้อยบริสุทธิ์ใจยิ่งใจต่อคนอื่นแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะเกิดเมตตาเกิดการุณาหรือไม่มีอะไรนะเฉย อยากเกิดความยินดียินดายเนี่ยแล้วทำใจได้ยากยิกเราไปอ่านข่าวคราวต่างๆในหนังสือพิมพ์ไปรับรู้ข่าวตัางโทรทัศน์ไปดูอะไรแต่ไรมากแล้วมันก็ยุ่งเพราะจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ข่าวที่ถูกต้องสมบูรณ์อะไรแล้วถ้าจิตใจเราอ่อนไหวไปกับกระแสสรงนั้นมันก็ทำให้จิตไม่นิ่งคือจิตไม่สงบ พันพระเทระก็พระสมิทธินะะคือคือท่านบอกว่าท่านบวชสามพันษาก็ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นเทระแต่ว่าในพระบาลีอย่างที่บอกว่าท่านเรียกท่านเรียกเป็นพระเทระเทวดาก็ต้องการจะโน้มน้าวท่านให้เขวให้เกิดความสับสน แล้วก็เพื่อให้เห็นว่าเป็นการไร้าสาระประโยชน์อ่ะเป็นวิธีของคนไอเนี้ยคือเทพปุตรมารนะแต่ว่าท่านไม่เป็นมารแรงนะครับเพราะว่าตอนปลายเราจะเห็นว่าออกมาดีแล้วก็เป็นถึงพระโสดบันคือคำว่าเทพบุตรมาร น, นั้นหมายรวมถึงคนทั่วไปนี่แหละแต่คนใหญ่หรือคนเล็กก็ไม่รู้่าที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค เป็นตัวขัดขวางริดรอนตัดรอนบัณฑทอนต่อความเจริญก้าวหน้าของใครคนใด ค, คนหนก็ชื่อว่ามันเหมือนกัเทพุตตมันความมาคนที่เป็นเป็นศัตรูแสดงความไม่เป็นมิตรก็ถือว่าอยู่ในประเภทของเทพุตตมาก็าบอกว่าคนบางคนนะ เกิดมาแล้วมันไ ม, ไม่ไม่มีความสมบูรณ์มีความบกพร่องในด้านต่างๆเนี่ยก็ทำให้ไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายทีนี้พวกพวกเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นแก่คนทั่งปกติเนี่ยพวกโรคภัยคค่เจ็บพวกความตายนะพวกความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอะไรต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น วันการมาคุณห้าที่มาประชุมกันที่เราไปคิดว่าเออมันน่าคลายนาะปรารถนานาพอใจอะไรแต่อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วในที่สุดพวกนี้ก็เกิดขึ้นแต่งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไรก็ตามนะเกิดขึ้นแต่งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแังอยู่ดับไปไม่ใช่ปฏิเสธร0อ ยิ่เดี๋พระพุทธเจ้ารัสั่งว่าอปัฏสาดาดุกขากามาอิติบิญญายปันดิโตบัณฑิตมีความชัดเจนนะฮะรู้ว่าการนี้มันมีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากไม่ว่าในช่วงของการสแสวงหาในช่วงการได้มาในช่วงการครอบครองในช่วงการเป็นพวกใช้สอยในช่วงการเก็บออมในช่วงการแจกแบ่งในช่วงของ แก้ปัญหาแก้ภัยแก้อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ยุ่งยากทท้งนั้นทีนี้อีกประการหนึ่งที่ท่านบอกว่าสันติโกยังธรรมโมคือว่าโลกุตรธรรมนี้อันบุคคลใดๆเข้าถึงแล้วบุคคลนั้นๆพึงเห็นเองด้วยบัจเจเวคณะญาณอันนี้เราพูดถึงญาณสิบหกนะนะหมายความว่า ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเวลเนี่ยก็พยายามที่จะไปบรรยายในที่ใดก็พยายามที่จะบีบธรรมะให้เห็นเป็นกระบวนการเก้นเกือบจะทุกแห่งนะฮะเพราะเราเห็นว่าวิธีนำเสนอธรรมะมาเป็นชุดๆเนี่ยท้าให้คนขยาบต่อจำนวนที่ตัวเองจะต้องประพฤติปฏิบัติ ก็อาศัยนัยยะอย่างที่เคยเล่าเรื่องภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าศีลในพระาศาสนานี้มากเหลือเกินปุจจาก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้ไหมยอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกท่านก็บอกว่าได้พุจจาก็รับสั่งให้รักษาจิตยอย่างเดียวไม่ต้องรักษาไม่ต้องคิดออกข้างนอกและอย่างอื่นไม่ต้องรักษาเพราะฉะน้นจริงๆมันพุทธวิธีมันมีเพียงแต่เราไม่นํามาใช้ตามพุทธวิธี บางคับบางคัาเราอาจจะบรรยายเล่าไปว่าองค์ทำชุดเนี้ยเขามีท่านเนี้ยแต่ว่าให้เห็นว่ามันเป็นกระบวนการบางทีเนี้ยเป็นเรื่องเดียวแต่ว่าใช้คนละ ก, กรณีกันอย่างยกตัวอย่างวสัพปริสถานเจ็ก็มีอัตันยูตาธรรมันยูตาอถัูตาธรรมันยูตาอัตัูตามัตยัยูตากาลันยูตาอะไรก็ คือสรุปจริงๆคือใช้ปัญญาไปในกรณีของรู้เหตุในกรณีของรู้ผลในกรณีของรู้ตนในการรู้ประมาณรู้กาลาลูเทศะรู้กลุ่มคนรู้บุคคลแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆถึงหมายความในภาคสนามจริงๆเนี่ยมันครบทันทีเลยเดี๋เราพูดในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคล้ายๆก็พูดตรงนี้คือเหมือนกันก็หมายความจริงๆสั บ, บริธรรมก็เคลื่อนไหวไปหมดเลยครบทั้งชุด และในขณะเดียวกันสัพพิสธรรมส่วนที่เป็นฐานของจิตเจนศรัทธาก็ดีหิริก็ดีอัตตปะก็ดีภูสัจจาก็ดีวิริยะก็ดีสติก็ดีสมัยปัญญาก็ดีมันก็มีอยู่ภายในจิตอถ้าเป็งั้นเราก็พูดไม่ได้ทําให้เราเห็นว่าธรรมะก็คือกระบวนการทางจิตการคิดการทําการพูดของมนุษย์เราเนี่ย มันเป็นกระบวนการของธรรมะคือเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาส่วนจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นถ้าเรามองธรรมะเห็นว่าเป็นกระบวนการแต่จะว่าอะไรก็ตามนะฮะเช่นอริมักบุญงปลกประการสมมติเรามีความเห็นชอบคำเดียวเมื่อเราเห็นชอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดชอบมันก็ยันกัน เห็นชอบก็ต้องคิดชอบคิดชอบก็ต้องพูดชอบเห็นชอบก็ต้องทำชอบเห็นชอบก็ต้องเลี้ยงชีพชอบเห็นชอบก็ต้องพยายามชอบเห็นชอบก็ต้องตั้งสติชอบเห็นชอบก็ต้องตั้งสมาธิขีจิตใจมั่นคงในทางที่ชอบมันเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการทางจิตคนอย่าไปคิดอย่าไปติดอย่าไปหวาดหวั่นพ่ันพรึงต่อจํานวนตัวเลข ขององค์ธรรมนั้นๆให้มากเขาสำคัญเรามีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ด้๋ยวันก่อนไปบรรยายอบรมพวกในพลสามหลอบทับนะตัวเลขที่เขาแจ้งมาคราวแรกก็บอกว่าร้อยห้าสิบหกแต่ก็ไปถึงก็ดูแล้วก็ไม่เิดครบทอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่วนมากยอดตัวเลขไม่ค่อยครบอ่ะแต่เราก็อธิบายให้ท่านเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงมีพระบ ร, รมมรชจงการมาด้วยประโยชน์สั้นๆบรรทัดเดีย ว, วเราจะรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สู่แก่งมาชนชาวสยามต่อไปมันเป็นกระบวนการหมายความว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมยุติธรรมเชียงธรรม คำถามสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไหมถ้าเป็นก็คือใช่มันไม่มีรูปแบบอะไรทำอะไรก็ได้แต่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหลรรการตรงนี้มันมันมันอยู่หมดมันอยู่ทางในความมั่นคงทางการทหารความมั่นคงทางการเมืองความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันอยู่หมด ถ้าเราจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็นําไปใช้คือที่จริงไม่ใช่ต้องไม่ไม่ต้องปรับใช้อะไรหรอกมันก็แกล้ๆ ก, ก, กับมือเราที่มีห้านิ้วเนี่ยแต่เรามีความรารู้มีความชานาญเราก็ใช้มือห้านิ้วที่ทําได้สารพัดเลยแต่ถ้าเราขาดความรู้ขาดความในชํานาญมือมันก็ห้านิ้วเหมือนกันแต่ทําอะไรไม่เป็นบางทีไม่หั่นผักก็ยังหั่นไม่ค่อยได้เลย